เหมือนอย่างว่านักรบเช่นนั้นเนี่ยนะเราผู้ยิ่งใหญ่ที่พระราชาส่งไปและชนะสงครามเนี่ยนะเวลาประสงค์จะเข้าเฝ้าพระราชาก็ไม่มีกิจที่จะคบคนอื่นนะต้องให้คนอื่นพาเข้าเฝ้าไม่ต้องเข้าเฝ้าพระเฝ้าพระราชาได้เองทีเดียวเพราะอะไรเพราะเป็นผู้สนิทสนมในพระราชาถ้าไม่สนิทใจจริงๆพระราชาจะวานให้ไปทําศึกสงครามไหมก็บอกไม่เพราะฉะนั้น อำมาตย์หรือเสนาบดีผู้ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเวลานี้ก็กลับมาเข้าไปเฝ้าพระราชาฉันดพระเทนะปุณณมันตานีบทก็ฉันนั้นเป็นผู้คุ้นเคยในพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่มีกิจที่จะคบภิกษุอื่นแล้วค่อยเข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะอะไรเพราะท่านท่านไปถึงปุ๊บล้างเท้าเช็ดเท้าเสร็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นว่า ก่อนหน้านั้นเช้ามืดเนี่ยพระองค์เห็นแล้วว่าพระปุณณามันตานีบุตรจักมาพระองค์เนี่ยเวลาที่กลับจากบินทบาทชั้นเสร็จแล้วเข้าไปกุฏิพระองค์ก็จึงไม่ล็อกกรอนประตูเนี่ยนะไม่ล็อกประตูพระองค์นั่งประทับระงับความโกล ว, วายพักนั่งพักอยู่พระเถระก็ผลักบานประตูเข้าไปยังพระคันทกุฏิถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างไหนนะมีบุญมากเลยนะเราไปเจอแต่ซากอิฐเนี่ยนะ ไปผิดเวลาเขาไม่ได้เขาไม่ให้เขา้าเสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปเองเลยนะเข้าไปไปก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราไปเห็นก้อนอิดแดงๆเผาดินเนี่ยมานั่งแกงเรียงมนนะั่นแะเพรยังดีเคยระลึกถึงว่าอณนะสถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับนั่งแล้วก็ใช้สอยเนี่ยไปเมื่อไรก็เจอแต่ก้อนอิดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทำบุญมาน้อยไม่มีทัศนานุตริยะอะไรเลยเนี่ยนะ ใครก็ไม่มีสวรรานุตริยาไปฟังเทศฟังทำอะไรสักเท่าไหร่นั่นนะแล้วก็อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เห็นแล้วว่ากำลังบุญเนี่ยมันน้อยเนี่ยนะทำบุญมาน้อยมันก็ต้องอย่างใครที่คิดจะไปอินเดียไปเชตวันไปสาวัถีไปกบิลพัทตุสิณราราชกึกนาลันทาพุทธคยาอะไรก็ช่างเถิถ้าเรียนธรรมะไว้ไม่ดีก็เหมือนกับเนี่ยไปสุขโขทยัยอยุธยาเห็นไหมก็ไปธรรมดานี่แหละก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ ที่สำคัญนี่ก็คือแต่ก็ยังดีอะนะไปเออพระพุทธเจ้าแต่สรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรตรงนี้เป็นต้นแต่งั้นก็ไปกราบโอ้โหก็คิดดูนะโหนนั่งเดินทางรอนแรมเพื่อไปกราบสามครั้งก้มหัวแตะเพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันถ้าเราไม่มีความรู้น่าเสียดายขนาดไหนเนี่ยนะ เรียกว่าทํำยังไงจะเป็นการไปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองนั่นนะเพิ่มไปไปแบบเพิ่มศรัทธาที่ยิ่งขึ้นเพิ่มวิริยะเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญายิ่งยิ่งยิ่งไปมันไปเมืองสาวัตถีก็ต้องอ่านพระสูตรที่พระองค์สอนที่เมืองสาวัตถีให้เยอะแยะทะลุปูโปรงไปหมดไปก็จะได้อยู่ในโลกจินตนาการระลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเพราะอนุสติแปลว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเคยประพักอยู่ที่นี้บำเพ็ญกิจเช่นนี้เช่นนี้ณเมืองสาวัตถีแห่งนี้ นะนะวัดพระเชตวันแห่งนี้พระองค์สอนพระสูตรเหล่าใดบ้างมีผู้ใดฟังมีผู้ใดบรรลุเขาบรรลุที่ไหนบรรลุอย่างไรเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจเรียนไว้เยอะๆเนี่ยนะไปแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปอะไรไปทะเลาะกันเรื่องรองเท้าเนี่ยนะทะเลาะใครเข้าห้องน้ําก่อนใครเข้าห้องล้ำหลังใครจะกินก่อนกินหลังเนี่ยนะไปต่อรองเจราจาเรื่องผ้า5้ารูปี10รูปีเนี่ยนะโอ้ยค่าเครื่องบินเป็นหมื่นไปต่อรองสองรูปีอย่างนี ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเวะตะัตถะนะนะเขาเลยก็ลงทุนมหาศาลนะนะไซื้อดอกย้าย่ดอกเดียวทีนี้ไปถึงเนี่ยน ะ, ะก็ไปเข้าไปกราบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำมิกถายะพระองค์ก็สอนธรรมแสดงธรรมให้ฟังคือพระองค์ตรัสธรรมมีกถาการตรัสธรรมมีกถาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างเช่นพระองค์ตรัส อา น, นิสงค์ของความสามคัคคีแก่กุลบุตรมท่านในจุลโคสิงคสูตรในเสขะเสขะสูตรหรือเสขปฏิปทาสูตรพระองค์ก็แสดงอา น, นิสงค์ของการถวายที่อยู่เนี่ยนะว่าถวายที่อยู่มีผลอย่างไรมีอา น, นิสงค์อย่างไรประโยชน์อะไรด้วยการให้เสนาสนะเป็นทานส่วนในคติการะสูตรพระองค์ก็แสดงธรรมเกี่ยวกับด้วย บทเพลนิวาสานุสติยานปรารบถึงเหตุการณ์ที่มีในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะหรือในรัฐบาลสูตรเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมมุทเทสีประการโลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนเป็นต้นส่วนในเสลสูตรพระองค์ก็แสดงอานิสงส์ของการถวายน้ำปานะว่าถวายน้ําปานะเพราะว่าเสรพราหม์เนี่ยเขาทําน้ําปานะไปถวายอาขอภัาายในกลุ่มเสระพราหมณ์กับกลุ่ม ชติละชะติละดาบทเนี่ยนะเขาก็ไปถวายน้ําปานะแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสอา น, นิสงส์ของความเป็นอยู่ผู้เดียวเนี่ยนะว่าอยู่คนเดียวแล้วได้รับประโยชน์อย่างไรมีคุณานิสงส์อย่างไรอันนี้พระองค์ก็ตรัสในสังกิเลสยกสูตรส่วนในรัฐวินีตสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระปุณณะเถระด้วยการแสดงธรรมกถาอนันตนาคเกี่ยวกับด้วยกถาวัตถุสิ ป, ประการ เป็นการแสดงกระถาวัตถุสิบประการโดยอนันตนายอนันตนายแปลว่านัยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะโดยยกอะไรยกมักน้อยยกความสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียรเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะเนี่ยยกหัวข้อธรรมะเหล่านี้เป็นการกล่าวเป็นการแสดงและก็แสดงโดยนัยหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ นะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าแม้นี้ก็ชื่อว่าอับมักความมักน้อยแม้นี้ก็ชื่อว่าความสันโดษแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่คลุกคลีแม้นี้ก็ชื่อว่าวิเวกแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าปรารกความเพียรแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าศีลชื่อว่าสมาธิชื่อว่าปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะพเหมือนพระองค์แสดงกระถาวัตถุสิบโดยอนันตนเยนไก็เหมือนประทับยืนอยู่ที่สุดยืนอยู่ที่สุดเขตแล้วก็เหยียดมือไปในมหาสมุทร แก่พระสาวกผู้บรรลุปฏิสัมพิทาเพราะนั้นพระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยกระดุดคลื่นใช่ไหมลังเลไปเป็นธรรมที่แสดงที่เรียกว่าหาเนายะที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเป็นธรรมมีคาถาที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็แสดงให้แก่คนมีปัญญาฟังเนี่ยนะมีปัญญาระดับสั่งสมบุญบารมีมาแสนมหากรัปเนี่ยนะพระปุณณมนตานีบุตรเนี่ยนะผู้เป็นอาจารย์ของพระอนุนเนี่ยสั่งสมบุญบารมีมาตลอดแสนนั้นแสนมหากัป นันกว่าท่านได้สั่งสมบุญมาขนาดนี้พอได้ฟังธรรมท่านก็พิจารณาธรรมะได้อย่างวิจิตพิสดารเนะมื่อหลังจากที่ฟังธรรมจบเนี่ยนะท่านก็เยนันทวังเนะียเยนันทวังก็แปลว่าครั้งท่านพระปุณณมันตานีบทเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีคถาสอนคถาวัตถุสิประการเสร็จแล้ว พระปุณณมันตานีบุตรก็ชื่นชมชื่นชมยินดีอนุโมทนาบันเทิงใจเป็นอย่างยิ่งในภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาสกระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันทําไมต้องไปพักไกลถึงป่าอันธวันไม่พักอยู่ในวัดเชตวันเลยล่ะก็บอกว่าวัดเชตวันจริงๆก็ป่าอันธวันก็อยู่หลังวัดเชตวันเนี่ยนะ เป็นการสร้างวัดใกล้ป่าเนี่ยสบายเลยนะใช้พื้นที่ป่าได้เป็นพันกิโลเป็นเป็นพันไร่อเพราะฉะนั้นตัววัดไม่จําเป็นต้องใหญ่เท่าไหร่เพราะพระพิสูจ์ทั้งหลายแค่อาศัยหลับนอนแต่โดยมากท่านก็หลบไปอยู่ในป่านโน่นอยู่ในป่าอันธวันนะก็เลยเขาบอกว่าปกติแล้วเชตาวันเนี่ยนะหลังจากฉันอาหารชาเช้าเสร็จเนี่ยเชตาวันนี่พลุ้งพลานมาก ทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งครือาบดีเศรษฐีพวกสมณะพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยเข้าไปวัดเนี่ยนะลังไลมาเชตวันเนี่ยนะบางทีก็แอหอมประชากรเนี่ยก็เหมือนกันถ้าถ้ายุค ป, ปัจจุบันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าสงสยนั่งเทศกับทั้งวันนะมั้งเนาะถ้าเทียบคณะเล้วคณะเล่าดูที่ต้นโพเนี่ยต้นโพถ้าใครไปตั้งแต่เดือนประมาณตุลาไปจนถึงมีนาเนี่ยนะ คณะเยอะจริงๆเลยเนี่ยนะคณะเยอะเดี๋ยวคณะนี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปคณะนี้มาทั้งแขกทั้งไทยเนี่ยนะแขกก็คนอินเดียตามรัฐต่างๆก็มากันเยอะแยะเลยนะชาวศรีลังกาก็มาชาวที่เบตภูฐานเนปาล น, นะชาวโน่นนะชาวเวียดนามฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียญี่ปุน่นอะไรก็ไปฮ่องกงหรือแม้กระทั่งพวกสิงคโปร์เนี่ยชาวไทยทั่วไทยเดี๋ยวก็ไปแล้วนะถ้าไทยไปก็ไปแปลกใเดี๋ยวก็อีทีพิโซปะขวาวอารังซัามมาอะกันะนะ่น คณะไทยไปแล้วเนี่ยนะคณะไทยอารหังเศกถาม น, นั่งทำสมาธิกาหนดอะไรก็ว่ากันไปว่ามีหลายคณะไปเยอะมากเนี่ยนะพลุกพลานมากนะที่เบสก็ไปนั่งสวดกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะสวดกันกําลงกาลังกําลังกํเาบอกว่าสวดอะไรสวดธรรมจักเป็นต้นแต่เป็นภาษาที่เบตคขาว่ากันนะไปดูมินดูถูกเขานาะสวดธรรมจักเลยนะบางาาสวดธรรมจักสวดทัศสูต่างๆแต่เป็นภาษาที่เบตเนี่ยนะ ของเราถ้าขยันจะไปเรียนที่เบรกั้นก็เรียนบาลีแทนเธอเนี่ยนะตรงตัวดีนะไม่ต้องไปอ้อมไปชิ่งอะไรไกลมากมายขนาดนั้นนะะมันก็ปกติแล้วเนี่ยโหหลังหลายคนก็หลังไหลไปจริงๆเยอะมากเนี่ยนะเฉพาะต้นโพไม่เก็บบัตรผ่านประตูเนี่ยนะถ้าเก็บบัตรท่านประตูอาจจะลดเลยทันทีเลยเจเนี่ยนะแต่ดีว่าไม่เก็บบัตรผ่านประตูเก็บแต่ค่ากล้องอะไรนะแต่ที่อื่นๆนี่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปบางทีตั้ง5เหรียญใช่ไหมบางทีก็หเรียนบ้าง10เรียนบ้างอะไรบางคนก็ไม่ค่อยเข้าละ แต่ว่าที่ที่เนี่ยที่ต้นที่ตรัสรูเนี่ยเนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในแขงถือว่าถ้าที่ไหนมีพุทธรูปตรงนั้นเรียกว่าพุทธสถานเพราะฉะนั้นเข้าฟรีได้อย่างเช่นมีที่เข้าฟรีอยู่สองที่คือที่อที่ไหนนีพุทธคยากับกุสินาราเนี่ยที่ตรัสรู้กับที่ปรินิพานเนี่ยนะเข้าฟรีอารมณ์พินิวันด้วยนะอมพินิวันก็เข้าฟรีประสูตรนี่ก็เข้าฟรี ส่วนที่เหลือโดยมากเสียตังค์หมดเนี่ยนะตังเวร์วันก็เสียตังค์เออเขาขี้จักูเนี่ยฟรีขึ้นไปเทอะเนี่ยนะนีก็ขึ้นไปมีที่ฟรีม้างไหมฟรีบ้างเนี่ยนะก็อย่างกูเอ่อเมืองพาราณสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองอะไรนะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่อะไรเขาตรงนั้นก็เก็บห้ารูปีเนี่ยนะเออห้าเหรียญห้าเหรียญก็ประมาณเท่าไหร่ก็บางทีก็ร้อยบางทีก็สองร้ยนะแล้วก็แต่ช่วงนะขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงตามอัตยาสายแขกก็ว่ากันไป มันก็ดีไปช่วยค่าตัดหญ้าเขามั่งะดูแลค่าดูแลถ้าเราก็ไม่มีคนดูแลให้ไปไม่ใช่รกแยกเลยเนี่ยนะก็ได้วิวสวยๆไว้ให้ยมโตถ่ายรูปนั่ น, นตัวเนาะมันก็มีผู้ที่เขาเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปเพื่อจะไปสรุปว่าที่เชตวันเนี่ยนะกลางวันเนี่ยค่อนข้างพลุกพล่านมันเหมือนกองทัพพระเจ้าจักรพรรดิตั้งนะก็เหมือนกระสั์ตามเมืองต่างๆจะมาจากที่ต่างๆเข้าไปเยอะมากเนี่ยนะแต่ว่าที่ป่าเชเอป่าอะไร ป่าอันธวัเนเงียบสงัดเป็นเหมือนสถานที่เหมือนกับสร้างกุฏิสร้างอะไรไว้ทั้งในเยอะแยะไปหมดเลยเพราะทุกคนก็เข้าไปปฏิบัติที่ป่าอันธวัขนขณะเดียวกันเนี่ยแล้วถามว่าทำไมท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่แวะไปหาพระสารีบดเป็นต้นก่อนท่านคิดว่าเดี๋ยวเย็นๆท่านค่อยเข้าไปหา ภาษารีบุตรเข้าไปหาก็คือเข้าไปหาในที่ประชุมทีเดียวเลยเนี่ยนะพบกันในสมาคมที่ประชมุมไม่ใช่แวกุตินี่วอกุติโน่นเข้ากุตินี่แล้วก็คหมดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนิสัยมันก็วิจิตนะนะคนก็ชอบกุตินี่วอ ก, กุตินั่นเข้ากุตินี้บางทีวัดมันใหญ่อย่างนั้นเนี่ยนะก็คุยตั้งหัวซอยยันป่าซอยหมดไปอีกวันหนึ่งอนนะอนุโลมปฏิโลมก็รู้จักทุกกุติไปหมดเลยเนี่ยนะ จากคนที่หนึ่งคุยเป็นคนที่หนึ่งตั้งเป็นพวกสองจากพวกสองเป็นพวกสี่พวกสี่เป็นพวกแปดพวกสิบห ก, ก็ตั้งเป็นพรรคละคะเน่ไม่รู้สภาสนทนาธรรมหรือเพ้อเจอเดีละชันกาชา้าขายมิชช้าที่ติกว่ากันไปก็มีหลายก๊กหลายเหล่าหลายหมู่หลายคณะเนี่ยนะก็พยายามศึกษาดูว่าเออของเราไม่งั้นเนี่ยหลงประเด็นนะเอาไปเอามามันได้อะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยนะ แทนที่จะได้คําสอนก็ได้อะไรไปก็ไม่รู้ฟังธรรมทั้งวันบางทีจําพุทธพจน์ไม่ได้หรอกไอ้จําคาถาวัตถุไอ้มิจฉาวาจาคําเดียวจําแม่นเนี่ยนะย้ำคิดแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกเม็นต้นมันเราก็ต้องพยายามที่จะคำหนึ่งใส่ใจว่าอะไรเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าตาดีก็ได้คําสอนไปตาไม่ดีก็ไม่รู้ได้อะไรไปก็ไม่ทราบเนี่ยได้กมิจฉาวาจาไปดงั้นในฐานะผู้ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมคาสอนก็ควรที่จะกําหนดจดจําว่าอันไหนเป็น พุทธพจน์เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดจดจำว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยนะสำหรับรัฐวินีตสูตรเกี่ยวกับกเกี่ยวกับเรื่องของวิสุทธิเจประการก็คงเป็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเพราะรายละเอียดเกี่ยวกับกะถะาวิสุทธิทั้ง7ประการก็มีเนื้อหาที่กว้างขวางพิสดารพอสมควร เพราะฉะนั้นพวกนี้เช้าก็แล้วกันกท้ายที่สุดวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาตลอดไปวันนี้ใช้เวลาเท่านี้